ธรรมของพระพุทธเจ้ากับธรรมของพวกเรามีผิดกันอยู่มากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้ที่เห็นที่ละปล่อยวางอยู่กับใจจริงๆ ธรรมของพวกเราเป็นธรรมสังสมเรียนรู้มากจําได้มากเท่าไรยิ่งสังสมไม่ได้ถอดโดยถอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านที่อ่านธรรมจินต่างกันธรรมเรามันธรรมจาได้มาจากความจดจําจดจําจากตำลักตำราจดจําจากครูจากอาจารย์ จดจำจากคาบอกเล่าต่างๆรวมแล้วก็เรียกว่าทำจดจำคือได้มาจากการจดจำส่วนธรรมของพระโพธิเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท, าท่านนั้นได้มาจากความจริงความจากับความจริงจึงต่างกันอยู่มากความจริงจริงถึงไหนจริงถึงไหนละได้ถึงนั้นรู้ได้ถึงนั้นมีความสบาย ตามขั้นภูมิแหนความรู้ความจริงของตนที่ได้รู้ไล้เห็นภายในจิตใจส่วนพวกเรานี่จําได้เท่าไรแทนที่จะเป็นการแย้มยึดถอบทอนพิเลกกลับเป็นการสั่งสมพิเหลกขึ้นด้วยความสําคัญของตนว่าเรียนได้จําได้มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้น ที่ท่านอาจารย์มั่นท่นานว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อสติเสงกระติดอยู่กับผุุ้ชนจึงเป็นธรรมปลอมเป็นธรรมปลอมแต่เมื่อเสืงกระติดอยู่กับพระพุทธ เ, เ, เ, เจ้าย่อมเป็นธรรมจริงท่านพูดรวมไว้ในบรรดาพาระพุทธเจ้าทั้งหลายมีส่คพระโสดาสติการนาคา อรหารตนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพิ่นเป็นพระเรียเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในขั้นเสือขาบุคคลอาเสือขาบุคคลคำว่าเสือขาบุคคลคือผู้ผเป็นอริยเจ้าแล้วแต่ยังต้องศึกษาเพื่อทําขั้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาถึงขั้นอรหัตตมัตยเรียกว่าเสือขาบุคคลคือขาบุคคล ผู้ยังต้องศึกษาส่วนอเศัยอเสัคบุคคล น, นั้นหมายถึงผู้ดีบรรลุถึงพระราตาผลกนล้วนแล้วรวมแล้วก็เรียกก่าพระเดียกเจ้าทมที่วิสิงสถิตอยู่ในพระเรจ้านั้นพระเรจ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนคือส่วนแห่งพระเรจ้ามันผิดกันเช่นพระโสดา ภูมิทำแห่งพระโสดาพระโซดานั้นจะไม่ปลอมทำในขั้นพระโสดาของพระโสดาย่อมไม่ปลอมแต่พระโซดายังต้องปลอมในขั้นสกิภาคาอนาคาอรหัสดูโดยดีแม้จะจํามาได้มากมายหรือได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาแล้วกว็าตามท่อ น, นี้เป็นความจํา ไม่ใช่เป็นความจริงที่รู้เห็นขึ้นกับตนทั้งนี้ภารกิจทาคาเป็นความจริงสำหรับขั้นของระรกิจฐาคานั้นแต่ยังตลอมในขั้นอนาคาและอารหัตเช่นเดียวกันการได้ยิ น, นยฟังจะมากน้อยเพียงไรซึ่งเลยภูมิของตนไปแล้วนั้นจะมีตั้งแต่ความจำความคาดความหมายไวเท่านั้นยังไม่เป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจใ ต, ตนเลย เรียกว่าทำประเภทนั้นก็ยังปอง ล, งลอมสำหรับอะไยยะสองขั้นนี้และนี้ขั้นพระอนาคาทานก็จริงสำหรับขั้นของท่านแต่ยังปลอมในขั้นพระหัตถผลแม้ท่านจะเข้าอกเข้าใจวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงไว้แล้วกว็าตาม พอเหมือนอย่างเราเข้าใจในแบบแปลนแผนถังต่างๆแต่ที่จะสําเร็จเป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาตามแบบแปนแผนถังที่เราจดจำไว้นั้นแล้วไว้นั้นเนี่ยยังไม่เป็นยังเป็นตปไม่ได้ต้องลงมือทำตามแปลนนั้นจนสมบุรณแล้วจึงจะเติมถุงส่วนพระหัตถผลนั้นเป็นอันว่าจยิงเป็นส่วนเลย ทำเมื่อได้สิ่งจะติดอยู่ในพระหัสตะบุคคลแล้วจึงเป็นธรรมโพสุทธสุดส่วนไม่มีทางต้องติดนี่แหละความจำกับความจริงมีต่างกันอย่างนี้คือต่างกันไปโดยลาดับลาดาด้วยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมาแล้วจึงไม่อยู่เพียงแค่นั้นันนต้องมีปฏิบัติ ปฏิเวษีสามทำสามข้อนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการมรรคผลตามาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกันไปคําว่าประหยัดไดจา ก, การศึกษาเรียนการศึกษาจะศึกษาเราเรียนแบบที่เราเรียนสอบกันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่ามันกลายเป็นโลกแปลก็ได้ถ้าเรียนแบบนั้น แต่คำว่าประหยัดในขัง้งคุทธการนั้นเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นประหยัดได้จากการศึกษาสำเนียบหรือจากอุปชายะเป็นต้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกรรมาฐานห้าให้เตสาโลมานะขาทันตาแต่โจนี่ได้จากภาพประยัิให้จําไว้แล้วนําประพฤติปฏิบัติตามที่ เราเรียนจากอุปทาะมาแล้วนี้ออกจากนั่งกับคายาแต่เป็นอาการสาม่ิบสองเป็นธาตุสิบแปดิบสี่ี่สองแล้วแต่อย่างที่ท่านว่าไว้ในวิปัสสนาภูอแต่ยังไงก็พ้นจากการปฏิบัติไปไม่ได้นะครับเราพูดปฏิบัติสถ า, านที่ที่จะปฏิบัติท่านก็อสอน ว่าไปอยู่ในสถานที่นโน้นโน้นป่าไม้นโน้นชายเขานโน้นเป็นที่สงัดนบเงียบโน้นภูเขานโน้นถ้าเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความภาคเพียนเพื่อการถอดถอนที่เหลืออันจะยังปฏิเวทถ้าทำให้ปรากฏขึ้นโดยลําดับนี้เมื่อเราเรียนด้วยความสนใจที่จะพึงปฏิบัติและเราได้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ดังที่เรียนมาแล้วนั้นผลจะคืเริ่มปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ท่านความสงบเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการอบรมพาวนาที่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิที่เราเคยจําได้ก็จะเห็นสมาธิขึ้นภายในใจของตนเป็นขั้นขั้ ข, ของสมาธิคืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดหรืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ได้ แล้วก็ัญญา่นการพิจารณาสอดส่องให้ควรตามเหตุตามผลโดยถือเจษสาโลมาหรืออาการสารที่สองเป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาที่คลายขยายออกดูสิ่งเหล่านี้ว่ามีลักษณะอย่างไรตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นกองอนิจจงกองทุกขงังกองอาตาอยู่เต็มรูปกายอันนี้ แม้แต่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉก็เป็นกองไอ้ไรลักษณ์สัญญาสังขารจิต ญ, ญาณแต่และอย่างไอย่างล้วนแล้ทั้งแต่เป็นกองไอ้จังทุกขังาตาให้เรียนให้สาเนียกให้สังเกตพิจารณาค่อควรตามนี้คลี่คลายดูเป็นชิ้นเป็นอันทั้งรวมกันดูทั้งทั้งเอามารวมกันเข้าทั้งแยกขยายออกเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันตามฐานะของจิตที่มีความช้าเร็วต่างกัน จนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ด้วยการพิจารณาแล้วปฏิเวทะคือความรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆย่อมปรากฏขึ้นเป็นลํำดับคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดนี้รู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลําดับไม่ใช่ตลอดสมุมดเสีเดีย่อนอกจากที่ปนาวพิญญาผู้ที่รู้ได้เร็วเท่านั้นแล้วคําว่ามรคนิพพานมร ก, ก็ได้จากข้อปฏิบัติ ผลก็ได้กิจแ่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นจนกระทั่งถึงมิมุติบุตรพ้นจะนอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้มาได้เลยคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็รู้แจ้งไปเป็นลําดับลําดาตามขั้นแหง่งธรรมตามขั้นของจิตหรือตามขั้นของปัญญาจนกระทั่งแทงทะลุปูโงงไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว นั่นแหละเรียกว่าปฏิเวทธรรมแต่อย่างเติมผูแล้วก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจล้วนๆนี่คือการรู้ความจริงรู้อย่างนี้เห็นความจริงเห็นอย่างนี้ละได้ตามความรู้ความหูความเข้าใจนั่นจริงๆไม่สักแต่ว่าจําชื่อได้แล้วพี่เล็กนั่งเต็มหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟทั้งลูกไม่ไบกบางลงบ้างเลยนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการเดีย แต่การกล่าวทั้งนี้ม่ได้มีการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนโดย่ายเดียวเรียนเพื่อประพฤติธปฏิบัติเป็นแนวทางโดยถูกต้องแต่เรียนเพื่อยอย่างอื่นไม่จัดเข้าในหลักแห่งการศึกษาสาธารณธรรมที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะให้แก้กองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันสืบเนื่องมาจากที่เหลืเป็นต้นเหตุเป็น เหตุเป็นปัจจัยผู้นับถือศาสนาจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลของภาษาศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มากกว่าอย่างอื่นนี่เราพูดถึงเรื่องความจํากับความจริงมันต่างกันอย่างนี้ความจริงเข้าถึงไหนวิเลศตุดลอยไปถึงนั่นความจริงเข้าถึง เอาตลอดทั่วถึงที่เหล็กก่อนบุจลอยไปหมดรู้แจ้งแชงตลอดเือตลอดทั่วถึงดังพระคุนาสกท่านเป็นตัวอย่างในคำที่ว่าอริยบุคคลที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกคนที่ผู้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนและเบื้องต้นได้กล่าวถึงว่าทมจริงทมปลอม ทำตอมก็คือทำที่เราตรวจตจำออกมาได้ยางตอมสําหรับเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแท้แต่เมื่อเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นสมบัติของเรามากน้อยเพียงนั้นจนกระทั่งถึงเข้าจริงเต็มส่วนก็เป็นสมบัติของตนเต็มถึงดังพระรหานท่านแม้จะนั่งอยู่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะทูลถามพระพุทธเจ้า เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆภายในจใติตใจของพระอรหันตองค์นั้นๆเนื่องจากท่านขึ้นความสงสัยโดยขึ่งเฉยๆยกตัว อ, อย่างเช่นพระอัญชญรพิขุซึ่งบำเพ็ญธรรมถึงขั้นจวนจะสุบอดอตีแล้วเกิดปัญหาข้อข้องใจาภายในจิตโดยเฉพาะจะไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันตกุฎีฝนก็ตกจะขึ้นทูลถามก็มาได้ เลยเยินติดใต้ถินก็ดีนั้นเวลาฝนตกก็ทั้งเกิดดูน้ําฝนที่เยดะย่อยลงมาจากทแยคามากระทบกับน้ําที่มีอยู่ข้างล่างตั้งเป็นตอมเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปท่านก็พิจาณาย้อนเข้ามาสู่สังขารธรรมคือความคิดความตุงของใจตุงทั้งดีทั้งขั้วกลางกลางประเภทใดก็ต า, ามมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปในลักษณะเดียวกัน และมีสายเห็นมาจากไหนท่านก็พิจนารณาย้อนเข้าถึงจนกระทั่งถึงสาเหตุต้นต่อแล้วได้บรรลุธรรมเสียในสถานที่นั้นพอผลตกหยุดเท่านั้นท่านก็กลับไปกูดีไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะซึ่งสงสัยแล้ว น, นี่คือความจริงเมื่อเข้าถึงผู้ใดแล้วก็เหมือนกันเห็นว่าผู้ใดจะรู้จะเห็นเพราะเป็นธรรมเหมือนกัน ถ้นามีอะไรผิดแก่แตกต่างกันเลยการสอนทมของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเพื่อผู้นับถือศาสนาและเชื่อตามหลักศาสนธรรมของท่านให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือจากการปฏิบัติทั้งตนจริงๆ ตามขั้นตามภูมิจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระก็ตามท่านสอนให้เหมาะสมกับขั้นภูมินั้นๆพราวาสก็ไมไ่ปิดกัน้นเรื่องมรรคผลนี้ผ่านมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นได้เช่นเดียวกันกับพระเพราะเรื่องธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศเหมือนเรื่องศีลถีลไม่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศ เป็นกฎข้อบังคับประจำเพิดแต่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายการพิจารณาถูกต้องตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นก็สามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับพระในครั้งจุตการก็ปรากฏว่าอุบาสกสิกาบริษัทนี้ได้บรรลุมรรคผลมิพ า, านจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน ตกมาสมัยทุกวันเราทุกวันนี้มีแต่ชื่อนม้กระทั่งพระก็มีแต่ชื่อได้ย oui. ินกต่ช er. ื่อของมรรคผลมิธานได้ยินแต่ชื่อสมาธิได้ยินแต่ชื่อปัญญาองค์ของปัญญาองค์ของสมาธิแท้ไม่ปรากฏองค์ของมรรคผลมิธานแท้แท้ไม่ปรากฏมีแต่ชื่อจะยินล่ำลือต้องจะยินตั้งแต่ท่านล่ําลือกันว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพธาน ตัวของตัวเองล่ำลือ้งจากความที่เกียดอ่อนแอนักง่ายทอแค่นนน้ตซ้ำยังตำหนิหรือ ป, ปฏิเสธเรื่องมรรคผลทีพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วคกาปรปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ก็เป็นผู้ตั้งตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วเพื่อให้คะแนนหักคะแนนผู้ปฏิบัติาศาสนาเยอะอีกอก็ยิ่ง ให้เห็นชัดลงไปว่าพ้นเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะไม่เคยปฏิบัติศาสนธรรมไม่เคยถึงติดถึงใจแล้วทําไมจะไปทราบว่ามรรคผลมรรคผลหมดเขตหมดสมัยได้ด้วยเหตุประการใดตัวเองยังไม่เคยปฏิบัติต่อศาสน า, านั้นนลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จริงยกให้เป็นข้อพิสูจน์สําหรับตัวเราเองทุกคน พระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคศาสนาธรรมนี้ให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสะโลกทั่วๆไปที่มีความสามารถจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ทำได้มากน้อยเพียงหลักให้นำไปประพฤติปฏิบัติเราอยากเข้าใจว่าศาสนานี่มีอยู่ในวัดอยู่กับพรากับในอยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามอําเภอโบราณต่างๆโดยถ่ายเดียวจะเป็นความเข้าใจผิด ความจริงสาสนาธรรมก็เป็นเครื่องสอนจิตใจมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายให้น่ทั่วทำดีการทำทั่วทำดีนี่ก็คือมนุษย์เหล่านี้เป็นเจอบไม่มีใครที่จะเฉลือฉลาดทำทั่วทำดีได้ยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นภูมิที่เหมาะสมกับสาสนาธรรมที่พระองค์ท่านจะประทานไว้แล้วก็ประทานไว้กับมนุษย์เราให้ประพฤติปฏิบัติ ผลก็พึง ก, ก็เราเองเป็นผู้จะได้รับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรตันส่วนอันใดกับพวกเราเลยทั้งที่ประธานอวาดไว้เพราะประธานไว้ด้วยพระเมตตาดลุน่นล้วนการนี้อัตภาพนี้ของเราเป็นการเป็นอัตภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อาศาสนธรรมคือการบําเพ็ญ เราจะไปหาเวล่ำเวลาการสถานที่มันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองให้เสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดการกระทาคุณงามความดีเราเป็นผู้กระทำเพราะเราต้องการผลคือความถูกความเก็นเลยทำที่ไหนเราทำได้เท่านั้นถ้าอุบายเราทันกับพิเยศซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงมาเป็นประจำ สถานที่นั่นดีสถานที่นี่ไม่ดีเวลานี้ไม่เหมาะเวลานั้นไม่ควดวัยนี้ไม่เหมาะสมวัยโน้นถึงค่อยทำมีแต่เรื่องหลอกเรื่องลวงคันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันเหมาะสมทุกเรื่องนั่นแหละเพราะเราเชื่อมันแล้วเมื่เคยเห็นกิเลสว่าเป็นคฆาตศึกต่อเราเราจรึงต้องคล้อยตามและเชื่อโดยลาดับลำดาบเมื่อยกธรรมะ คำต่างสอนคุ้เจ้าเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลส ก, กับธรรมนี้เป็นคนละอย่างและเป็นค่าศึกกันด้วยซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเราคนเดียวกันเราก็มีทางที่จะแยกแยะสิ่งหย่านี้ออกกําจัดสิ่งอย่านี้ได้ความดีก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้เช่นเดียวกับขั้งพุทธการหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคุณ ง, งามความดีที่สร้างมานี้ก็คือใจนั่นแหละ เป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติคือคุณ ง, งามความดีทั้งหลายไว้ไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่จะรับอัดรับทรรับบุญรับกุศลรับบาปรับกรรมอะไรก็คือใันั่นใจจริงสำคัญที่ทุก ท, ท, ทุกคนได้รับการอบรมให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเอง เกิดมาเราก็พึ่งบุญจะตายตายไปเราจะพึ่งอะไรเราก็ต้องพึ่งบุญเหมือนกันบุญคือความสุขเราหวังความหวังต่อความสุขความเจริญ ม, มีอยู่ด้วยกันทุกตนนักและตลอดเวลาด้วยความทุกข์ไม่ต้องการเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้เห็นความให้ทราบความหวังของตนแล้วพยายามส่งเสริมความหวังด้วยการพฤตปฏิบัติ ด, ดีแล้วเราจะได้สมหวัง ในวันหนึ่งแน่นอนพ้นไปไม่ได้เคราะทาเป็นของจริงจริงเรื่อยมาตั้งแต่พระพุเทธเจ้าเริ่มประกาศพระธรธรรมที่แร้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะจริงตลอดไปถ้าคนนํามาปฏิบัติให้จริงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏความจริงขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเว้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติและไม่สนใจเสียเท่านั้น จะอยู่กับความจริงมจนกระทั่งวันตายกี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าความจริ้มเป็นเช่นไรคงเช่นเดียวกันกั บ, บพับผือยู่กับแตงนั่นลแลแล้วคนคนเปรกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไมยิ้รสชาติของแตงว่าเป็นเผ็ดเค็มประการใดบ้างสู้ลิ้นยี่อยู่ไกลๆก็ไม่ไดัดหนักเอาตรงนี้ให้เป็นลิ้นทุกคนให้รู้รสของทำเพราะาทำสาหรับสัมผัสหัวใจเป็นพี่สถิตก็คือใจทายนะ ที่เหมาะสมจะทําก็คือใจใพยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของคือสติปัญญาเป็นคอ้ออ่อยเป็นผู้ควบคุมมันจะผาาผลโน่เต้นไปไหนมีสติปัญญาเป็นเครื่องหักห้ามเหมือนว่าสติปัญญาไปไม่ได้แต่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตลอดเวลาไหลลงไปเรื่อยเช่นเดียวกับน้ําที่ไหลลงสู่ที่ต่ําแห้มันไหลขึ้นง บนภเขามันเป็นต่ไมาไดจะต้องมีเครื่องขักดันขึ้นไปถึงจะขึ้นนี่ก็เอาสติปัญญาเป็นเครื่องขักดันจิตใจขึ้นจากสิ่งที่ต่างตามตั้งหลายให้ขึ้นสู่ความดีที่เรียกว่าสูงเราทำได้ด้วยกันขอให้มีความเชื่อความน้อมใสในสาศาสนาธรรมเท่านั้น ฝืนได้อย่างอื่นเรายังพอฝืนได้ยังทําได้ทุกยากลําลบากเรายังทําได้ทําไมการประพฤติทำเพื่อตัวเองเป็นอันดับแรกทําไมเราทําไม่ได้ต้องหาว่ายบข้าสอนตัวเองมันก็เป็ี่ยนไปได้ฮะการแสดงธรรมก็เห็นแล้วควเต็นเต็น